ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบดี้เป็นตนไปเป็นโอกาสอันดีชีวิตของเรายัางมีลมหายใจอยู่จะได้พากันนั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐาน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 ให้ยิตใจของพระองค์เป็นทุกเป็นลอนกับกอกลอกลวงอีกพระองค์มีสติเต็มที่เรียกว่าเป็นมหาสติมหาสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าพระพุทธเจา้าเมื่อตัดสาโแล้วจะแข็งกระด้างอยู่เหมือนพระพุทธโลกที่เราเห็นนี่ไม่ใช่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 ไม่ได้เอนเอียงไปเข้ากับคนใดคนหนึ่งความเป็นยุติธรรมมีโยในองค์พระพุทธยากายวาจาจิตเรียว่าเป็นมีความยุติธรรมอยู่ในตัวสารีดาร่างกายของพระองค์รอบข้างละวาละวาก็มีรัศมีหกประการสีแสงหกอย่างลออไป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 ผู้ละจีเลตพร้อมทางวาสนาผู้จะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายในโลกอันนี้อีกชาติปัจจุบันของพระองค์จึงเป็นชาติสุดท้ายชีวิตแตกดับก็เข้าสู่นิตรับผ่านอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับร้อนกับเย็นกับฝ้ากับฝนกับดินน้ำไฟลมกับคนกับสัตว์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 ร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์ฝนไม่ตกก็เป็นทุกข์ฝนตกมาก็เปียกเป็นทุกข์อะไรอะไรมันทุกข์ใจนะ่ะเพราะใจยึดถือทุกเนี่ยมันอยู่ที่จิตยึดถือถ้าจิตไปยึดถือละไม่ว่าอะไรล่ะเป็นทุกข์ทางนั้นถ้าจิตปล่อยวางจิตไม่ยึดถือทุกข์ทางหลายแหลก็ดับไป คุปทานาขันจิตยึดถือจิตไม่ภาวานานั่นตัวนั่นแหละมันทุกข์มันยึดไวถือไว้ไปยึดไฟไว้ยึดไฟความโกรธไว้เขาว่าให้เราเขาดูโูกเราอย่างนั่นอย่างนี้นั่นแหละตัวตัวไฟความโกรธโทสะจริตมันเกิดขึ้นมาก่อโลกไมหัวใจของเราก่อน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 พวกสัตว์สิ่งเดลส า, านสัตว์นรกก็เรียกว่าทุกทเต็มที่มนุษย์คนเราก็มีทุกทเต็มที่ในจิตในใจแม่ภายนอกจะไม่ทุกทเหมือนสัตว์สิ่งเดลส า, านแต่ว่าในใจนะ่ะมันมีทุกท เ, ทเท่ากัน ถ้าผู้ใดมารู้จักถอนตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในยศในเยี่ยงอย่างอะไรก็ตามไม่ให้มีในใจให้ใจมันรู้เท่าทันทุกอย่างทุกประการตาเห็นรูป ก, ก็ไม่หลงในรูปรูปดีก็ไม่หลงมันดีไปแค่ไหนเพียงใด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 คือสภาวธาตุสภาวธรรมเขาเป็นอยู่อย่างนี่แหละจิตไม่รู้มาอาศัยอยู่ในรูปนามกายใจอันนี้ก็เลยมาหลงหลงต่อไปอีกดินลนวุ่นวายไปตามกราร ม, มาตัณห า, ะะหาภาวะตัณหาวิปวตัณหาผลที่สุดตายแล้วก็หมดฤทธหมดเดช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 สงบเยือกเย็นแล้ ว, ว่ะโยในนิพพานังปรมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขใจมันเป็นสุขใจไม่ไปทุกแทนไครใจโยใจนิ่งใจเย็นใจสบายใจไม่วุ่นวายภายนอกแล้วว่าใจนักแน่นในธรรมะปฏิบัติเป็นจิตใจอันแน่วแน่มัน่นคงไม่ลหลงไหล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 อยู่ในที่ไม่มีที่ออกวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นหรือว่าเหมือนมดที่มันไต่ขอบดว็วนไปมาอยู่อย่างนั้นมันก็เข้าใจว่าไปได้ไกลที่สุดแท้ที่จริงมันก็วนๆอยู่นั่นเอง เจิตใจคนเราที่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ไม่ภาว น, นาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เพราะมันมาวนอยู่มาหลงอยู่ในสิ่งอันเกา่าไม่มีอะไรใหม่มันก็หลงอันเก่านั่นแหละตาเห็นลูบลูบมันก็มีอยู่อย่างเกา่าลูบนั้นตาตามความจริงมันก็เป็นลูบคอยจะเน่าจะแตกจะทําลายอยู่ ทามันแตกทําลายตายเมื่อใดล่ะไปดูเถอดพุพังเหม็นโขงตลอดล่ะเพราะจิตหลงอันนี้เองไม่พินิจผิจารณาด้วยปัญญาอันชอบจึงได้มายึดหน้าถือตาได้มายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลเราเป็นชาตินั้นชาตินี้ชาติอะไรก็ชาติเกิดมาทุกนั่นแหละ เกิดมาแล้วก็แก่แก่ก็เจ็บไข้เจ็บไข้ก็ตายตายแล้วก็เกิดมาเพราะความไม่รู้จงทำความรู้แจ้งในจิตใจขณะนี้เวลานี้ให้พร้อมมูลบริบูนตาเห็นรูปก็ไม่หลงรูปดีก็ไม่หลงรูปเลวชามก็ไม่โกรธเคียดแค้นเสียงเพลาะเสียงไม่เพลาะก็เย็ดใจภาวนาอยู่ในใจ กลิ่นเหม็นหอมมันก็มีอยู่ในโลกนี้จิตอย่าไปยินดีข้างหอมอย่าไปเกียตทางกลิ่นที่เหม็นมันก็มีอยู่เท่าเก่านี่แหละรสอาหารการกินก็มีความลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของอรสอร่อยแท้ที่จริงก็กินน้ำลายของตัวเองกินขี้เสลต์ของตัวเองนั่นแหละ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 จึงได้หลงในลิ้นในรถหลงในกายหลงในเครื่องสัมผัสของร่างกายเพราะจิตไม่ภาวานาจิตไม่ทีนิจพิจารณามาหลงไหลยอยู่แค่ปลายลิ้นมาหลงไหลยอยู่แค่ผิวหนังไม่ภาวานาให้มันหลุดออกพ้นออกจากลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคล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 ด้วยยานด้วยปัญญาพิจารณาที่ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมของพระองค์เองไม่ใช่พวกเราไปทาให้ท่านแม่ตัวเราของเราที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาวิชาวีมุติความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็ต้องทาเองปฏิบัติเอง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 ทำใจให้เหมือนแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วันไหวรับรองทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายเต็มโลกแผ่นดินก็รับรองได้ใครจะทำอะไรให้แผ่นดินแผ่นดินก็เฉยได้จิตใจของผู้ภาวนาภายในใจเราทุกคนก็เหมือนกัน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 ยืนเดินนั่งนอนมันก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่ใส่ศพมันเต็มไปด้วยทุกข์เลยโทษจิตใจผู้โยภายในก็ภาวนาให้มันเห็นแจ้งอยู่ในจิตในใจอย่ามายึดเอาถือเอาโน้นโน่นนี่นีนน้เอาให้มันจิตใจไม่หลงไหลในโลกนี้ทั้งโลกในโลกหน้าก็ไม่หลงไหล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 นั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาตาดูหูฟังจมูกดมกินลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโพทพภาใจคิดธรรมารมใดๆก็ไม่ต้องหลงไหลจิตใจผู้รู้โยที่ไหนชำระจิตใจดวงนี้ให้ของใสสะอ า, ปาดปราศจากมนตินโทษ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 ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอขิวาธนาสิริสนิจังวุธาปจายิโน จัตตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนจุขังคาลังตอนนี้ไปเป็นเวลาถึงเวลาใดเวลานั่งสมาธิภาวนา ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิเพชให้ได้การนั่งขัดสมาธิเพชมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเรานั่งใต้ล้มโพสีจึงได้ตรัสรู้พระองค์นั่งขัดสมาธิตั้งแต่นู้นจนถึงวันนิพพาน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 ให้ละกิเลสไม่ใช่พระองค์มาสอนก่อนพระองค์ละกิเลสลาคะโทสะโมหะอย่างเราๆท่านๆนี้แหละหมดสิ้นไปแล้วจึงได้นำมาสอนพุทธบริษัทที่เราได้ฟังว่าเมื่อพระองค์ตัดสู้แล้ว ในวันเดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวงหลังจากนั้นมาก็วันเข้าพัรษาเดือนแปดเพนพระองค์ก็สแสดงธรรมาจากกับประวัตนาโสตรเรียกว่าเปิดพระธรรมเปิดตู้พระไตรปิฎก แสดงโปรดปัญจวะคีลือสีทั้งห้าที่เมืองพาลานาสีเมืองพาลานาสีนี้อยู่ในประเทศอินเดียพระองค์สเสด็จมาโปรดปัญจวะคีลือสีทั้งห้าให้ภาวนาละกิเลต ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไปตามอำนาจกิเลสเมื่อพระองค์มาสเสด็จมาถึงที่วัดที่สำนักของพระอาจารย์ปัญจวัคคีลูกศิษย์พระองค์เองพอเห็นพระพุทธเจ้าสเสด็จมาแต่ไกล ก็สุบชิดกันว่าคือว่าก่อนปัญจวคีร์ทั้งห้าจะหนีออกจากพระองค์มาก็ตอนที่พระองค์พระมานกายไม่ค่อยได้เสวยอาหารมากจนกระทั่งว่าร่างกายผอมโซ ถ้าผู้มาบวชในศาสนามาหลายปีก็จะเห็นว่าสมัยพระองค์ทำทุกขระกิริยาเห็นเส้นในร่างกายสพลั่งไปหมดเหมือนกับยะลายกว่าคนเท่าคนแก่แล้วพระองค์ก็เข้าใจเองว่ามันไม่ใช่หนทาง ทำอย่างนี้ปฏิบัตินี้ไม่ใช่หนทางพระองค์ก็เปลี่ยนใหม่คือว่าสเสวยอาหารฉันบินทบาต ท, ทุกวันทุกวันปัญจวคีลือศีทั้งห้าเห็นว่าพระองค์กลับมาสันบินทบาตก็เลยหลบหนีว่าสีทธธัตถะราตตกุมาน แทนที่จะอดทนต่อไปจนตัดสโล ก, ก็กลับมาเป็นผู้รับมาด ม, มากินอาหารบริโภคอาหารบัญเจวคีลือศีทังหาก็ลบหนีจากพระพุทธเจ้ามาโสเมืองพาลานาสี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 ทิฏฐะลารจากกลมานเป็นคนมากมากพวกเราอย่าไปต้อนรับท่านนะบอกกันเมื่อมองเห็นแต่ไกลแต่ว่าเมื่อพระองค์ ก็ลืมหมดที่ว่าไม่ต้องต้อนรับกับจำเป็นต้องวิ่งไปต้อนรับน้ำล่างเทาจัดแจงอะไรจนพร้อมยึงได้ขึ้นมาที่ศาลาที่พักปัญจวัีก็ฟังธรรมพระองค์แสดง ตามมาสุขันนิยานุโยกัตกิรามฐานุโยกวายาไปทำใจให้แสสายไปรับอารมณ์กิเลสราคะโทสะโมหะจงทำใจให้เป็นกลางๆางว่ายอย่างนั้นปันจะวะทีกน้อมจิตน้อมใจเชื่อเลื่อมใส พระองค์กล่นแนะนำสั่งสอนจนอัญญาโกนัญญะผู้หัวหน้าได้สำเร็จเป็นพระโสดาปติผลในทางพุทธศาสนาสแสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงละกิเลสได้จริงไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่ทางปวง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 ถ้าตั้งอกตั้งใจประกอบกับธรรมจริงๆก็จะได้บรรลุมรรคผลคนธรรมในทางพุทธศาสนาอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่เราก็ไม่ทำอะไรไม่ภาวนาเละอยากกินกินนอนๆอนไปชั่ววันตายเท่านั้นก็พอแล้วอันนี้ไม่ถูกต้อง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 ท่านพระอานนทพุทธอุปถาตก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระเจ้าค่ะเมื่อพระอานนทตอบอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ตัดสวนคำไปบอกว่าดูก่อนอานนท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 ทำจิตใจให้หลุดพ้นออกจากกิเลสลาคะโตสะโมหะเอาจิตใจไปโสนิพพานเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายบุนวายตามกิเลส <c oughs> แห่นั้นเราต้องพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาจะได้นิ่งนิ่งนอนนอนอยู่เลย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 แนั้นผู้ปฏิบัติธรรมย่าได้นิ่งนอนใจจงทำความเพียรเพ่งอยู่ในมรณะกรรมฐานอันพระองค์จัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าและออกเมือ่อผู้ใดจดจำคำนี้ได้ดีก็ให้รีบเล่งเอาไปฝึกสอนตัวเอง อย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะกลับมาสอนเราไม่ไดับ